คำที่ว่าศาสนานั่นเป็นกิริยาหรือเป็นอาการอันหนึ่งที่ออกมาจากทำแท้เมื่อแยกออกมาเป็นคาพูดเป็นอาการหรือเป็นคําสอนไม่ว่าจะเป็นพระสูตรพระวินัยหรือพระปรมาทเป็นอาการแห่งธรรมทั้งนั้น รมศาสนาคือคำต่างสอนถ้ามีเพียงเท่านี้ก็ไม่ซึ้งแต่คำต่งสอนนี้ออกมาจากทรรมแท้ที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบสิ่งที่พระองค์ทรงครองอยู่ภายในพระไตยนั่นแหละคือทรรมแท้ดังที่เทศเมื่อคือนนี้แล้วลท่านนำอาการ คือท่านแยกเป็นอาการออกมาในทางเหตุคือวิธีการปฏิบัติต่อตนเองเพื่อความสุขหรือเพื่อความสงบสุขเป็นชั้นๆเข้าไปจนกระทั่งถึงทำแท้ถ้าไม่มีปฏิปทาคือเครื่องดำเนินก็ไม่สามารถที่จะ เข้าถึงความสงบสุขเป็นลำดับลำดับจนกระทั่งถึงความสุขอันสุดยอดได้คำว่าผลก็เป็นอาการอันหนึ่งคือเป็นชื่อแห่งธรรม น, นั้นๆที่ปรากฏอยู่ในจิตใจตามขั้นตามภูมิของใจที่เรียกว่าธรรมแท้เป็นลำดับลาดับขึ้นไปดังที่ท่านว่าโสดาปฏิผล สกิทาคาผลอนาคาผลอรหัตตะผลนี่เป็นธรรมแท้คือแท้เข้าไปโดยเป็นตามขั้นนห่งธรรมที่ผูส้สำเร็จหรือผู้บรรลุได้เข้าถึงตามธรรมขั้นนั้นๆที่เรียกว่าธรรมแท้ส่วนชื่อว่าสโสดาสกิทานาคาอรหัตอันนี้เป็นอาการอันหนึ่งออกมา ท่านแสดงผลก็เป็นอาการทั้งนั้นเนี่ยอันผลที่แท้จริงก็คือใจเป็นผู้ครองใจเป็นผู้รู้ผู้เห็นเป็นสมบัติของใจติดอยู่กับใจดัะนั้นเมื่อพูดถึงว่ า, าศาสนาหรือว่ า, าศาสนธรรมจรึงไม่ค่อยซึ้งเพราะเป็นอาการออกมาแล้วไม่ใช่ตัวจริง แต่เมื่อในปฏิบัติเข้าไปโดยลำดับจนปรากฏผลขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติเป็นชั้นๆ น, นั่นแหลจึงจะค่อยปรากฏผลที่ปฏิบัติจากตามาศาสนธร ร, รมภายในจิตใจของตนศาสนธรรมฝ่ายเหตุก็เปรียบเหมือนเครื่องมือทำงาน ถ้ามีแต่เครื่องมือจะมีมากน้อยเพียงไรก็ตามของเต็มอยู่ในบ้านในเรือนก็ไม่สาเร็จประโยชน์ถ้าผู้เป็นเจ้าของไม่นำเครื่องมือนั้นปไปประกอบไปทำงานตามหน้าที่ของเครื่องมือนั้นที่จะปรุงใช้ในกิจการอันใดตามนี่แหละตามความประหลาดของตนเครื่องมือนั้นจึงจะสาเร็จ ทำให้สำเร็จประโยชน์แก่ผู้ทําขึ้นมาเป็นลำหนับเช่นเครื่องมือสร้างบ้านสร้างเรอนอย่างนี้เป็นต้นาศาสนธรรมจะมีแต่คำพูดมีแต่การศึกษาเรีเรยนจดจำมาเอาไว้มากน้อยเพียงไรก็ตามก็เอามาทิ้งไว้ที่จิตใจของเราคือความจำเท่านั้นก็ไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อะไรต้องอาศัย การปฏิบัติตามสิ่งที่จํามาแล้วนั้นๆจนเกิดผลขึ้นมาภายในจิตใจของตนนั่นแลชื่อว่าเป็นผลที่สําเร็จขึ้นมาจากการปฏิบัติธรรมเช่นเดียวกับบ้านเรือนเป็นต้นที่สําเร็จมาจากเครื่องมือที่เราเป็นผู้นําไปใช้ด้วยเหตุนี้เราจรึงไม่ควรจะ เอาเครื่องมือที่ได้รับการศึกษาเร่าเรียนหรืออ่านในหนังสือพุทธศาสนาเล่มใดก็าตามมาทิ้งไว้กับความจำเฉยๆแล้วถือความจำนั้นเป็นสมบัติของตนโดยมีแต่ชื่อโดยมีแต่เงาให้ปรากฏตัวเลยนั้นไม่ถูกต้องสิ่งที่ถูกที่เหมาะสมอย่างยิ่ง ก็คือการปฏิบัติท่านสอนว่าอย่างไรก็ปฏิบัติตามนั้นแต่เพราะอย่างยิ่งสอนให้รักษาจิตใจซึ่งเป็นสิ่งสำคัญเป็นตัวเหตุอันยิ่งใหญ่ภายในตัวของเราเราควรจะระมัดระวังรักษาจิตนี้จิตนี้มีสิ่งสลับซับซ้อนนับไม่ถ้วน เต็มไปหมดภายในดวงใจบรรจุสัญญาอารมณ์ต่างๆไว้เต็มไปหมดจนมองหาดวงใจแท้ไม่ปรากฏมีแต่กิ่นจอมปลอมทั้งนั้นคิดออกมาในแง่ใดก็ตามมีตั้งแต่เรื่องจอมปลอมเมื่อเราได้พิสูจน์ตามหลักยิตตภาวนาแล้วเราจะได้ทราบสิ่งจอมปลอมทั้งหลายที่แสดงออกมาจากใจโดยลำดับลำดับ จนนับไม่ท่วนว่าเรื่องอะไรบ้างความเป็นทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าสิ่งที่บรรจุอยู่ภายในจิตใจนั้นมันมีมากการแสดงออกแห่งสิ่งที่บรรจุอยู่ภายในจิตใจนั้นเึงไม่มีที่สิ้นสุดคิดได้วันยั่งขาคืนยั่งรุ่งตลอดการไม่มีวันเสาร์วันอาทิตย์ไม่มีวันพระวันโกนไม่มีเดือนทีนาะเดือนปีนาะทีโมงไม่มีอายาบท ที่จิตจะไม่คิดรวนแล้วแต่คิดเรื่องเลวไหลหาสาระแก่นสารที่ตนจะพึงได้อาศัยให้เป็นความร่มเย็พนพายาจิตใจไม่ค่อยมีทั้งนี้เพราะสิ่งเหล่านี้ออกมาจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ออกมาจากสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยที่ฝังอยู่ในจิตใจของเรามีจำนวนมากขนาดที่ว่าคิดทั้งวันทั้งคืนก็ไม่หมดไม่จบ คิดเท่าไรก็สั่งสมผลเข้าไปในที่นั่นอีกมันจะหมดจะสิ้นไปได้อย่างไรเพราะความคิดนี้เป็นความผิดสิ่งที่ไม่เป็นท่านั้นให้เพิ่มตัวขึ้นมาภายในจิตใจหมุนเ ย, ยนกันไปหมุนเยิยนกันมาอยู่เช่นนี้จึงไม่มีเวลาจบสิ้นลงได้าเราจะปล่อยให้เป็นไปตามความคิดความนึกธรรมดาของมันแล้วจะมีแต่ความหมุนเยิยนไปเพื่อสั่งสมเกียรขึ้นมากแล้ว สังสมความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความคิดความปรุงนี้มากมายกายกองภายในจิตใจนี่ที่จิตหาความสงบหาความล่มเย็นไม่ได้เพราะสิ่งที่ร้อนมีอยู่ภายในใจไปอยู่ที่ไหนจึงร้อนนั่งอยู่ก็ร้อนเดินอยู่ก็ร้อนนอนอยู่ก็ร้อนเว้นแต่ขณะที่หลับไปเท่านั้นในยาบททั้งสี่หรือสถานที่ใดมีแต่ความร้อนเพราะจิตไม่มีอียาบท เป็นความร้อนอยู่ในหลักธรรมชาติของตนเพราะสิ่งที่ทําให้ร้อนมันมีอยู่ภายในติท่านจึงสอนให้ชําระท่านจึงสอนให้ระ ง, งับท่านจึงสอนให้พิจารณาหรือไข้ควรกระแสะของจิตที่คิดออกออกมาแต่และสิ่งได้อย่างว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วจะได้กานกรองความคิดความเห็นนั้นด้วยสติด้วยปัญญาอันเป็นทางตําราป ร, ปราบกามสิ่งเหล่านี้ให้หมดสิ้นลงไปโดยลํำดับ นักปราชญ์ท่านถือกันยิ่งนะักนักปราชญ์ท่านจหงหวนจิตใจมากยิ่งกว่าสินใดๆในโลกในวันคืนหนึ่งหนึ่งเราพอมีเวลาที่จะปฏิบัติต่อตนเองแม้จะมีงานมากเพียงไรก็ตามสำคัญอยู่ที่ความสนใจความใคร่ต่อ การประพฤติปฏิบัติที่จะกําจัดสิ่งไม่ดีออกจากจิตใจเราพอทําได้แม้แต่เราเขียนหนังสือหรือทํางานอะไรอยู่ความคิดที่เคยคิดเคยปรุงทําไมจึงคิดได้ปรุงได้แล้วความคิดที่เป็นอัดเป็นธรรมทําไมจะคิดไม่ได้คิดได้ด้วยกันในข้อนี้เราจะเห็นได้อย่างชัดชัด โดยไม่มีความสงสัยอะไรเลยนั้นตอนเมื่อสติปัญญาออกก้าวเดินตามหลักธรรมชาติของตนที่เรียกว่าอัตโนมัติแต่อยู่ที่ใดก็ตามสติปัญญาจะทำหน้าที่ปราบปรามกิเลสอยู่ตลอดไม่ว่ายืนไม่ว่าเดินนั่งนอนเว้นเสียจลับเท่านั้นนอกจากนั้นไม่มีว่างที่สติปัญญาจะไม่ทำงานในการปราบกิเลสนี่ เหตุที่จะเป็นเช่นนี้ได้เพราะอะไรก็เพราะความฝึกฝนความอบรมอยู่เสมอสืบต่อเนื่องกันโดยลำดับลำดาจนกลายเป็นสติที่มีความสืบต่อเนื่องกันเป็นลำดับและปัญญาสืบเนื่องกันเป็นลำดับเช่นเดียวกันในเรื่องของวัตจักที่หมุนเวียนอยู่ภายในจิตใจของเหล่านี้มันหมุนเวียนมานานไม่ทราบว่ากี่กับกี่กันจนกระทั่งพอตัวแล้ว แสดงตัวออกมาโดยอตัตโนมัติคือความคิดความปรุงต่างๆเราไม่ต้องตั้งอกตั้งใจมันคิดมันปรุงขึ้นมาได้หมดเรื่องอดีตจะกกี่วันกี่ปีกี่เดือนในกระทบรูกเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่ตางๆดีชั่วนำมารุ่นมาคิดมาวุ่นมาวายอยู่ภานจิตใจของตนทั้งๆ ท, ง ท, งที่บางครั้งเราก็ คิดหนาละอาใจไม่อยากให้มันคิดแต่มันก็ยังคิดได้คิดอยู่ตลอดเวลานี่เพราะความเคยชินของธรรมชาตินี้จะบังคับให้คิดหรือไม่ก็ตามเป็นความเคยชินแล้วจอมคิดได้ธรรมดาธรรมดาเราจะทําการงานอะไรอยู่ยังไงก็ตามความคิดนี้เป็นไปได้ตามธรรมชาติทั้งมันเพราะความเคยตัวจนกลายเป็นความเคยชินเป็นอัตโนมัติขึ้นมาในทาง ในทางนี้ทนี้สติปัญญาของเราเบื้องต้นก็ล้มลุกคูกครานจนเกิดความอิจฉาละอาใจก็มีในบางครั้งแม้จะไม่มากก็พอจับความรู้สึกของตนได้ไม่ว่าท่านผู้ใดแม้แต่ท่านผู้สำเร็จสิ่งเสร็จไปนังพระพุทธเจ้าลูกสาพระสาวกท่านเมื่อกิเลสยังมีอยู่ภายในาจิตใจแล้วย่อมจะมีทางคิดอิหฉาละอาใจในบางครั้งได้เช่นเดียวกับเราทั้งหลายนี่แหละ เป็นแต่เพียงว่าท่านคิดไปชั่วการแล้วกระงับกันได้หรือดับกันลงได้ไม่นานเมื่อเราได้พยายามอยู่โดยสม่ำเสมอมากน้อยตามกําลังความสามารถของตนด้วยการอบรมด้วยการพยายามรักษาจิตจิตเมื่อได้รับการอบรมได้รับการ รักษาดูแลอยู่เสมอย่อมจะปลอดภัยไปเรื่อยๆแม้จะมีสิ่งมา ก, กระทบกระเทือนพิสติสตังก็พอมีขึ้นเช่นบางบางครั้งที่เกิดความไม่พอใจในเรื่องอะไรหรือในบุคคลใดแต่ก่อนเราไม่ทราบเราถือความโมโหโทโสความไม่พอใจนั้นเป็นเป็นเราอย่างเต็มตัวทามาในโมหโหเต็มที่เหมือนกับว่าเรานี่ขาดไป ทาเดโมโหโธโซโกรธแค้นในเขาวันยังคำนั่นแหละคือเราเป็นเราทั้งคนวันนั้นเราเป็นเราทั้งคนเราไม่ทราบว่าเป็นกิเลสทั้งตัวนี่ต่อเมื่อเราได้มารับการอบรมด้วยสติให้ทราบว่าสิ่งนั้นชั่วสิ่งนี้ดีไปโดยลำดับแล้วพอเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาหรือหงุดหงิดขึ้นมาโกรธขึ้นม า, นมาใน เกี่ยวกับเรื่องใดหรือบุคคลใดก็าตามจะเป็นการสะเทือนจิตใจให้สติรับทราบทันทีว่าอ้อนี่เราโกรธได้อย่างไรแม้จะระงับดับมันยังไม่ได้ในขณะนั้นก็าตามสติเราก็ยังมีว่านี่เราโกรธแสดงว่าเรานี่ไม่ชอบความโกรธแต่เพราะกำลังของความโกรธมันเคยตัว ม, มันรวดเร็วยิ่งกว่าเรามันก็แสดงตัวขึ้นมาได้ทั้งๆ ท, งที่รู้อยู่ด้วยสตินี่นี่มันผิดกันอย่างนี้ี่ย คนที่ได้รับการอบรมกับไม่ได้รับการอบรมผู้ไม่ได้รับการอบรมเลยนั่นถือความโลภความโกรธความหลงเป็นตัวทั้งตัวเต็มร้อยเปอร์เซนวันไหนได้โลภวันไหนได้โกรธได้หลงลืมตัวเพวันยั่งคำ่ำแล้วันนั้นเป็นคนทั้งคนเต็มตัวเป็นคนร้อยเปอร์เซนต์ไม่บกพร่องในส่วนใดเป็นเราทั้งคนทีเดียวเป็นเจ้าอํานาจวาสนาเพราะได้โกรธให้เขา เป็นต้น น, นี่คือผู้ไม่ได้อบรมความรู้สึกเป็นเช่นนั้นแต่เมื่อได้รับการอบรมแล้วคําที่ว่าเป็นคนทั้งคนเพราะความโลบความปวดความหลงสแสดงตัวขึ้นมานั้นกลับเห็นมาเป็นความผิดของตัวมแม้จะระงรับไม่ได้นะการนั้นก็ยังทราบได้อย่างชัดชัดว่านี่เราผิดไปเราถือไปอนี่เราผิดไปแล้วพยายามแก้ไข ไม่ได้ในขณะนั้นก็ได้ในวาระต่อไปจนได้แม้จะยังไม่ได้ในขณะนั้นหรือวาระต่อไปยังไม่ได้นานไปกว่านั้นจนกระทั่งมันลงับลงไปด้วยการพยายามหลายครั้งหลายหนแม้เช่นนั้นเราก็ยังได้เห็นโทษทองตัวไม่น่าเลยไปโกรธเขาทำไมไปเครียดในเขาทำไมเรื่องเช่นนั้นคนเช่นนั้นเราพยายามหาความดีความโกรธไม่ใช่เป็นของดี เขาโกรธให้เราโมโหโท่โศให้เราเรายังไม่พอใจเหตุใดเราจึงแสดงความไม่พอใจซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ใครไม่ปรารถนาเลยต่อเขาได้ล่านี่แสดงว่าเราก็ผิดมากมายรู้สึกเสียใจตนเองหนักนี่คือผู้อบรมธรรมะเป็นอย่างนี้เห็นโทษในสิ่งที่เป็นโทษจริงเห็นคุณในสิ่งที่เป็นคุณไม่ได้เห็นคุณในสิ่งที่เป็นโทษเหมือนนังว่าที่ว่าโกรธเขาแล้วว่าตัว เป็นคนเต็มคนอย่างนี้พอได้อบรมไปอบรมไปนานๆสติสตังค่อยดีปัญญาค่อยรวดเร็วขึ้นโดยลำดับสิ่งอย่างนี้ก็ไม่ค่อยจะมากระทบคือไม่ค่อยจะเกิดความกระทบภายในจิตใจของตนแม้สิ่งภายนอกจะเข้ามาสัมผัสหรือเขาพูดกระแทกแดกตันอะไรก็ตามเราจะพอมีสติจับยัง้ง รู้เรื่องรู้ราวของเรื่องนั้นกับเรื่องเราที่จะออกรับกันหรือจะออกโดนกันบ้างชนกันบ้างอ่ะกระทบกระทือนกันนั่นเองกับเขาได้พอสมควรและมีความละเอียดเข้าไปโดยลึกหนนะจนกระทั่งพอแสดงความมุ่นหนิดขึ้นมาไม่ภายในใจรู้ทันทีว่าความมุ่นหิดนี้คือตัวโทษซึ่งเกิดขึ้นแล้วกับเราเวลานี้นะ่ะ เมื่อเห็นสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นโทษโด้วยโดยความเป็นโทษของมันแล้วย่อมชื่อว่าเป็นผู้เห็นชอบแล้วพยายามละจนได้ต่อไปสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ปรากฏขึ้นมาแก่เราได้อย่างง่ายดายแล้วค่อยหมดไปหมดไปนี่แหละจิตค่อยสะอาดไปด้วยวิธีการชำระการรักษาการร ะ, ระวังอย่างนี้โดยลําดับลําดับนี่แหละคือจิตมีเจ้าของ คือมีสติปัญญาควระมัดระวังสติปัญญาเป็นเรื่องของธรรมเมื่อมีอยู่ในจุดใดงานใดงานนั้นย่อมเป็นชิ้นเป็นอันไม่ค่อยผิดค่อยพลาดนอกจากเป็นสิ่งที่เหลือวิสัยของสติปัญญาจริงๆถ้าอยู่ในวงของสติปัญญาตัวแล้วไม่ค่อยพลาดเพราะนำมาใช้อยู่เสมอคนที่ไม่มีสติไม่มีปัญญานั้นย่อมจะพลาดไปเรื่อยๆไม่ว่าอะไรจนเป็นความเคยชิน ยังเท่านี้ก็พอจะทราบความเคยกินของการรักษาใจเราด้วยการอบรมมีอะไรมากระทบกระเทือนในระยะนี้เราทราบได้ง่ายกว่าระยะที่เรายังไม่เคยอบรมเลยจนกระทั่งสติปัญญามีภูมิที่จะออกทําหน้าที่การงานโดยลําพังตัวเองได้ซึ่งไม่ต้องบังคับบั ญ, บญชาใดๆด้วยแล้ว นั่นยิ่งมีความคล่องแคล่วแก้วกล้าต่อสิ่งทั้งหลายที่เข้ามาเกี่ยวข้องทงั้งๆที่สิ่งเหล่านั้นก็เป็นต้นเหตุอันหนึ่งที่จะให้กิเลสเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราแต่มันก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะจิตใจมีสติปัญญาครอบหรือรักษาอยู่ตลอดเวลาและหมุนตัวเพื่อแก้เพื่อไขเพื่อถอดเพื่อถอนสิ่งภายในที่มีอยู่แล้วให้หมดสิ้นไปเดิมดับและพยายามกำจัดสิ่งภายนอกที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยสติปัญญา รอบด้านนี่ท่านเรียกว่าท่านรบกับข้าศึกทั้งกลางวันกลางคืนเมื่อมีกำลังสามารถโดยอัตนมัติแล้วดูที่ไหนก็เป็นความเพียรทั้งนั้นถอดถอนกิเลสหรือฆ่าฟันหั่นแหลกกิเลสแหลกไปหมดไม่ว่าจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนมีแต่ท่าฆ่ากิเลสห้หลุดลอยไปจากใจเรื่อยๆแล้วกิเลส มันจะมีมาจากไหนเมื่อมีแต่การทำลายไม่มีการส่งเสริมก็หมดไปหมดไปผลสุดท้ายก็เป็นใจอิสระเต็มตัวคำว่าอิสระนี้ได้แก่ความไม่อยู่ในบังคับบัญชาของสิ่งใดขึ้น mm. ชื่อว่าสมมุติในโลกทั้งสามนี้เป็นอิสระโดยหลักธรรมชาติของตนคือเป็นจิตล้วนล้วน ไม่มีอะไรเข้าแทรกสิงเลยนี่ผลที่เกิดขึ้นมาจากการตะเกียบตะการล้มลุกคุ่ครานมาตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงจุดนี้ล้วนแล้วแต่เกิดจากการอบรมทั้งนั้นทุก็อยอมรับสุขก็อยอมรับเราเดินทางจะให้สม่ำเสมอไปโดยไถ่เดียวไม่ได้แม้แต่ทางลาดยางก็ยังสูงๆูงต่ำต่ตา ม, ตามเนินตามที่ลุ่มทีดอน การปฏิบัติธรรมก็ย่อมมีที่สูงที่ต่ำมีลำบากมีสะดวกสบายเช่นเดียวกันแต่ทางอยู่ที่ตรงนี้เราจะแยกแยะเดินลัดตัดไปที่อื่นเป็นไปไม่ได้ต้องไปตรงแนวที่ตรงนี้จะยากลำบากต้องผ่านที่ตรงนี้มัชฌิมาตรงไหนเดินตามมัชฌิมามัชฌิมาพาขึ้นขึ้นพาลงลงอ้าวกิเลสพาขึ้นขึ้นไล่กิเลสตามกิเลส กิเลสพาลงเหวลงบ่อตามขุดตามพ้นตามฟาดฟันหันแหลกอ้าวกิวเลสลงไหนตามฟันกิเลสนะเพราะเห็นไรเพราะกิเลสเป็นของที่ลุ่มๆุ่มดอนดอนือวสูงสูงต่ําต่ ำ, ตำลุ่มๆุมดอนดแต่มันอยู่บนหัวใจขดเมื่อสติปัญญาผลิตขึ้นมาพอแก่การแก้ไขหรือพอแกการติดตามปราบปรามกันได้แล้ว กิเลสเคลื่อนที่ไปไหนปัญญาเคลื่อนไปด้วยอา้าวเคลนสูงสูงด้วยลงต่ำต่ำด้วยเอาจนกิเลสตา ย, ตายไม่มีอะไรเหลือพนันในใจแล้วปัญญาถึงจะปล่อยปล่อยมือปล่อยมือเป็นลําดับลำดับตัวไหนาตายปล่อยไว้ตัวไหนไม่ตายตามห้าตามฝันจนแหลกไปหมดนั่นนักรบของพระพุทธเจ้าพุทธสาวกท่านเป็นอย่างนั้นเราก็เป็นพุทธสาวก ค, คนหนึ่งเป็นลูกศิษถาคตรด้วยความเป็นพุทธบริษัท อุบาสกอุบาสิกาจะได้แก่ใครอุบาสกอุบาสิกาครั้งนั้นกับครั้งนี้เป็นคนเหมือนกันรับพระอุบาทคําสั่งสอนจากพระพุทธ เ, ทเจ้าคือาศาสนธรรมของพระ อ, องค์เช่นเดียวกันนํามาแก้ไขดัดแปลงหรือปราบปรามกิเลสซึ่งเป็นประเภทเดียวกันกับขั้งพุทธการที่มีอยู่แต่ข้งโน้นให้หมดสิ้นประจากใจกิเลสข้างโน้นกับั้งนี้กลัวทําด้วยกัน ทำครั้งนี้กับทำครั้งโน้นมีอำนาจที่จะปราบตามกิเลสได้ด้วยกันจึงไม่มีลายผิดกันนอกจากว่ากิเลสมันจะหาอุบายหรือคนอุบายต่างๆหลอกเราให้หลงเชื่อตามมันแล้วก็เห็นธรรมเป็นกิเลสไปเท่านั้นถ้าเห็นธรรมเป็นเห็นเห็นธรรมเป็นกิเลสหรือหรือเห็นกิเลสเป็นธรรมถ้าเห็นกิเลสเป็นธรรมแล้วเราก็ไม่รู้สึกตัว ต่อยให้มันกล่อมทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนกล่อมเรื่อยๆผลที่มันป้อนออกมาให้เราก็มีแต่ความทุกข์ความไม่สบายกายไม่สบายใจบน่นเพราะเป็นทางระบายออกแห่งทุกข์ความจริงความบ่นไม่ใช่ทางระบายทุกข์เนี่ยถ้าว่าการบน่นว่าทุกข์เป็นการระบายทุกข์ใครทั้งโลกบ่นได้เดียกันเพราะปากมีนี่พูดได้เรื่องอื่นบ่นให้ทุกข์ทำไมจะบ่นไม่ได้ถ้ามันที่เหลือมันกลัวด้วยการบน่น มันคิบหายไปหมดแล้วแต่ีิเรศไม่หลุดรอยไปเพราะความบน่นนอกจากการปฏิบัติกรรมจัดมันด้วยกำลังฝีมือของเรานี้เท่านั้นีิเรศถึงแกตัวกรรมจัดลงที่ตรงนี้สุขอะไรก็ไม่เท่าสุขใจสุขใจสุขสวัสดีไหมว่าปีใหม่ปีเกา่า ถูกในโลกสวัสดีปีใหม่พอปีเก่ามาแล้วทูกทั้งๆในปีใหม่ก็ทุกหักตั้งความหวังไว้ปีใหม่จะมีความถุกอย่างนู้นอย่างนี้คาดกันไปยุ่งกมนไปหมดถึงวันปีใหม่แนละ้วโอ้ส่งส่อข้ซอยัยุ่งหมดส่อข้ออก็มีตัวนังสือตัวใจไม่เนี่ยนส่อก็ออยไม่ส่อขอ้อซส่งความทุกนี่ มันอยู่ภายในนี่เอาสอสอสองนี้นะจะไปสอคอสวันนั้นปีนี้ยุ่งไปจะไปหาเกาเดี๋ยวมันถลอกหมดมันคันเอาเกาตรงมันคันเนี่ยมันทุกอยู่ที่ตรงไหนคันอยู่ที่ตรงนั้นเกากันลงที่ตรงนั้นแก้ตรงนในตรงที่ตรงนั้นสอคอสจะมีอยู่ที่ตรงนั้นเนี่ยเกิดขึ้นที่นั่นนี่เป็นสอคอสทางพุทธศาสนาเป็นความที่ถูกต้องที่โลกเขาทำนั้นก็ไม่ได้ผิด แต่เราแยกอันนั้นมาเพื่อสอนเราคือโอพะณฑีโกเราไม่ทำหนิติเตียนโลกเขาที่ทํามาเป็นประเพณีนิยมจิตใจมีความรุ่นเริงมันเทิงภายในแง่ใดซึ่งไม่ผิดจากคติหมายบ้านเมืองก็เป็นความดีโลกมีอย่างนั้นไม่ว่าโลกไหนๆต้องมีความรุ่นเริงมันเทิงมีความหวังนุ่ยกันแต่ถ้าจะพิจารณาหรือคิดไปในแง่เดียวเท่านั้นก็ไม่เกิดประโยชน์ให้ย้อนหน้าย้อนหลัง มีการอธิบายถึงเรื่องสพสอนั้นย้อนเข้ามาในเราก็เพื่อจะเห็นสพภายในสพภายนอกอืสพภายในก็ได้แจกสงความสุขให้แจกใจด้วยการประพฤติปฏิบัติกรรมจับสิ่งที่มัวหมองหรือรบกวนจิตใจนั้นให้ห่างไปโดยลำหนับมีความสุขแทรกขึ้นมาได้เดิมหนักจนความสุขเกิดขึ้นภายในจิตใจเป็นสพขึ้นภายในจิตใจ ที่ไห้ก็สบายปีใหม่ปีเก่าสบายเดือนใหม่เดือนเก่าสบายทั้งนั้นเพราะทุกหมดไปจากใจแล้วจะไม่สบายยังไงคนเราที่เป็นทุกข์ก็เพราะทุกข์มันมีเป็นเจ้าเรือนอยู่ภายในใจหมดทุกหมดไปสุขก็เป็นเจ้าวลือนอี่นะเท่านั้นเองน่ะมีเป็นจุดสําคัญการแสดงธรรมก็เห็นมาสมควรวันนี้เอาละยอดมันตรงน